สวัสดีคะ่ะสาธุชนที่เคารพคะ่ะนี่คือรายการสนทนาปัญหาธรรมะท่านผู้ฟังที่เคารพคะ่นะณบัดนี้ขอนำท่านผู้ฟังมานมัสการพระคุณเจ้าพระอาจารย์ปรหลัดสมทบปรักะโมวัดกลางบางปลามานมัสการพระอาจารย์คะ่ะขอจะเจริญพร เมื่อคราวที่แล้วได้สนทนาธรรมกันในเรื่องของการเจริญภาวนาแล้วก็พระอาจารย์ได้กรุณาอธาธิบายในเรื่องของสมถภาวนาแล้วก็วิปัสนาภาวนาทีนี้ในเรื่องของการเจริญวิปัสนาภาวนาแล้วก็สมถภาวนานั้นก็ยังมีรายละเอียดซึ่งมีสาธุชนใครจะรู้ใครจะ ศึกษากันมากมายทีเดียวขอรัตนาพระอาจารย์ได้กรุณาอถาธิบายต่อค่ะก็ขอเจริญพร อ, อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเกี่ยวในเรื่องการเจริญภาวนาที่เรามักจะพูดกันเนี่ยคําว่าภาวนาก็แปลว่าธรรมที่ควรเจริญควรเจริญในที่นั้นหมายความว่าให้เกิดขึ้น บ, บ่อยๆในสันดานของตนคําว่าสันดานในที่นั้นก็แปลว่าเกิดขึ้นในจิตของตนนั่นเอง ทำที่บัณฑิตทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะทให้เกิดขึ้ น, นเป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งหลังๆจนติดต่อกันเป็นนิดนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าภาวนาในคําว่าภาวนาเนี่ยเป็นธรรมที่ควรเจริญนั้นน่ยถ้าโดยสรุปลงก็คือเป็นชื่อของสิกขาทั้งสามกาวคือศีลสมาธิและก็ปัญญาเนี่ย ในภาวะปัจจุบันเนี่ยเรามักจะไปพูดกันอยู่อย่างนะคำคำหนึ่งคุณโยมลองสังเกตดูว่าคําว่าไปปฏิบัติใช่ไหมคาว่าไปปฏิบัติไปปฏิบัติเช่นไปปฏิบัติทำไปปฏิบัติอะไรกันต่างๆเหล่านี้ยค่ะบางทีเจอหน้ากันก็บอกคุณปฏิบัติไหมหรือคุณไม่ปฏิบัติค่ะแม้แ ต, แต่พระใช่ไหมเจอหน้ากันก็จะบอกว่า ถ้า<ไ>ท่านบวชเข้ามาในท่านปฏิบัติไหมหรือท่านใน่ปฏิบัติพระอาจารย์คะแล้วคำว่าปฏิบัติเนี่ยกินความมากน้อยแค่ไหนอย่างไรจริงศัพท์คำว่าปฏิบัติเนี่ยท่านแปลว่าทาให้ดำเนินไปแค่นั้นเองเป็นคำกลางๆยังไม่ได้ระบุลงไปหรือว่าเป็นการกระทาลักษณะใดทำอะไรให้ดำเนินไปยังไม่ได้ระบุลงไปการทาให้ดาเนินไปนั้นไปตรงกับคาว่าปฏิบัติ เหมือนคำว่าปฏิบัติดูแลมารดาบิดาเนี่ยบุตรหรือกุลบุตรนั้ น, นปฏิบัติดูแลมารดาบิดาอย่างนั้นเขาเรียกว่าปฏิบัติดีต่อพ่อ<ช>แม่เขาก็เรียกว่าปฏิบัติหรืออีกอย่างหนึ่งที่คำว่าทุบปะทุ ป, ปฏิปันโนที่ว่าปฏิบัติไม่ดี<อ>เช่นบุคคลปฏิบัติชั่วก็ก็เรียกว่าปฏิบัติเหมือนกัน ฉะนั้นคำว่าปฏิบัตินั้นเป็นคำกลางๆ <ใน S 2> ยังไม่หมายลงไปว่าดีหรือไม่ดี<อ>แต่ในยะที่เราเรียกกันว่าปฏิบัติหรือเรียกว่าไปเจริญภาวนานั้นน่ต้องเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติดีคืออย่างไรทาศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็ทาศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป ลักษณะอย่างนี้ต่างหากเขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติชอบหรือเป็นการปฏิบัติในความหมายที่เราโดยวัตถุประสงค์ที่เราจะพูดกันอ๋อค่ะฉะนั้นพอเข้าใจในเรื่องคำว่าปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าถามว่าการรักษาศีลการเจริญศีลเนี่ยก็คือการปฏิบัติกันเลยเค่ะ แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเราจะรู้ว่าการปฏิบัติในบางคนบอกว่าบุคคลรักษาศีลอย่างเดียวไม่เน้นการที่ว่าปฏิบัติโดยมากเราจะไปคิดว่าคนที่นั่งหลับตาคือคนปฏิบัติอย่างนี้ก็เสียหายใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ที่จริงแล้วการที่จะละกิเลสได้นั้นเป็นเรื่องของการที่จะต้องละกิเลส ท, ที่มันเกิดขึ้นกุ้มุมในจิตใจเนะี่ย ต้องให้เข้าใจตรงนั้นให้ดีทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะคําว่าภาวนาเนี่ยก็เป็นการทํากุศลอันประเสริฐให้เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ธรรมชาติใดทํากุศลที่ประเสริฐให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วก็ให้เจริญขึ้นดังที่ได้กล่าวกุศลในที่นั้นเนี่ยเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของสภาวะจิตใจที่ความไม่มีโรคของจิตท่านบอกว่าราคะ โทสะและก็โมหะเนี่ยที่มันกุ้มรุมในจิตเนี่ยอย่างนั้นเขาเรียกว่าจิตนั้นมีโรคเข้ากุ้มรุมแล้ว oh, เหมือน <okay. S 2> ร่างกายของพวกเราทั้งหลายใช่ไหม <Okay. S 2> ถ้าไม่เจ็บป่วยเขาเรียกว่าคนไม่เป็นโรค <Okay. S 2> ที่บอกว่าในปกติร่างกายของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่มีเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ภายนอกเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเป็นจํานวนมาก หรือถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้ร่างกายของเรานั้นเกิดโรคภัยแค่เจ็บได้ลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าร่างกายนั้นเกิดโรคภัยแค่เจ็บก็ต้องรักษาทีนี้จิตของพวกเราทั้งหลายเนี่ยต้องมาตรวจสอบดูว่ามีความโรคความติดข้องอยู่ในจิตรุนแรงอ๋มมีความโกรธมีความพยาบาทมีความขึงเครียดในใจเกิดขึ้นรุนแรงไหม Hmm. มีความหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงปิดกั้นอยู่ไหมถ้ามีทั้งอุทธจักรความฟุ้งซ่านมีอิทวิจิกิจฉาความลังเลสงสยัยมีถีนมิทะความท้อถอยทดขูเนี่ยรู้เถอะจิตของคุณนะเป็นโรค hmm. ถ้าไม่รักษาใครเสียหายดูยเราเสียหายเราก็เสียหายฉะนั้นถึงบอกว่าโรคเนี่ยเกิดในจิตเนี่ย ก็เหมือนกับสนิมเกิดที่เหล็กก็กินกัดกร่อนเหล็กให้ผุพังไปชั้นใดสภาวะจิตที่มีโรคเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าจิตอย่างนั้นไม่เรียกว่ากุศลเขาเรียกว่าอากุศลและจิตเกิดหรือบาปเกิดที่จิตแล้วเพราะบาปเกิดที่จิตจิตเกิดความเศร้าหมองแล้วบุคคล น, นั้นพูดออกมาคำพูดของเขาจะเป็นสุจริตหรือทุจริตทุจริตค่ะก็เป็นทุจริตจาึงว่าุริต การกระทําออกมาทางกายจะเป็นกายสุจริดโดยทุจริตกายทุทจริตุริก็เป็นกายทุจริตเองบางครั้งยังไม่ถึงขนาดฆ่าแต่แค่มองคนด้วยความเครียดด้วยความโกรธ ด, ด้วยความกังวลก็ชื่อว่ากายที่ทแสดงออกมานั้นเริ่มเป็นกายทุจริตเพราะมาจากมโนกล่าวคือใจนั้นทุจริตเพราะใจมีโรคทําให้กายไม่บริสุทธิ์ แล้วพูดออกมาคําพูดก็ไม่บริสุทธิ์แม้คําพูดดีก็เรียกว่าไม่บริสุทธิ์ค<ะ>เช่นบางทีเราโกรธใครเทียบแย่ใช่ไหมแต่ก็ต้องพูดกับเขาดีๆเข้าไว้เพราะมันจําเป็น<ะ>กลัวตนนีกลัวว่าเหตุการณ์จะรุกรามใหญ่แล้วเรางับได้ก็พูดด้วยความโกรธบางคนก็พูดด้วยความโลภความติดข้องนะอย่างนั้นเนี่ยการแสดงออกมาไม่ได้สุดจริตสามเลยในชีวิตประจําวันค<ะ>อย่างนี้เขาเรียกว่ากุศลไม่ ไม่เกิดกุศลไม่เกิดอย่างนี้เขาเรียกไม่เกิดขึ้นครั้งแรกแล้วก็ไม่เกิดขึ้นครั้งหลังๆจนติดต่อกันก็มีความโศกความซึมความเศร้ามาแทรกเป็นระยะระยะมนุษย์เป็นอย่างนี้น ะ, <ร>ะถ้า<ร>ไม่ได้อบรมพระอาจารย์ค่ะถ้าหากว่าบุคคลที่เกิดความไม่สุดจริตทั้งสามนะคะเกิดกิเลสเนี่ยถ้าตัวเองมี ความรู้สึกรู้แล้วก็ทราบวินิจฉัยได้ว่าตัวเองมีกิเลสสิ่งที่กระทำนั้นเป็นบาปแต่ถ้าผู้ที่ไม่รู้ล่ะคะจะทำยังไงคะคือปัญหาอยู่ตรงที่บอกว่าถ้าคนป่วยไม่รู้ว่าตนเองป่วยะจะทำยังไงคนที่อยู่ใกล้ควรทำยังไงอ๋อก็ต้องกร ะ, ระยาณในมิตรก็ต้อง<ก>ให้ <จะ S 1> สติต้องมีว่ามันเหมือนว่าอย่างนี้ บางคนเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าตนเองมีโรคร้ายอยู่ในตัวค่ะต้องตรวจไหมต้องตรวจต้องตรวจสอบอชีวิตเป็นอย่างนั้นจริงๆและการตรวจสอบมันต้องไปตรวจกับคนที่เขารู้เรื่องโรคค่ะเย่ไหมเวลาเราเราไม่แน่ใจทำไมเราต้องไปไปหาหมอก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยไตรวจถามคุณโยมนิดนึงนะโรค การรักษาทางกายกับรักษาทางใจเนี่ยอย่างไหนสำคัญกว่ากันทางใจเนี่ยแต่ทุกวันเนี่ยไมยมีใครบ้างที่ที่มองว่าจิตของตอนเองมีโรคหรือมีบ้างไหมว่าไปตรวจสอบจิตของตอนเองบ่อยๆว่ามีโรคเกิดขึ้นั้ยเพราะร่างกายมันเห็นง่ายเนี่ยขนาดเห็นง่ายเนี่ยก็ยังจะต้องใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ทั้งมากมายใช่ไหมในการที่ไป เจาะดูเลือดนะไปดูสุขภาพหลายๆอย่างว่าเอามาตรวจดูที่มีโรคภยคัยไข้เจ็บอะไรไหมตรวจเลือดตรวจปัสสาวะอุจจาระตรวจส่วนต่างๆแต่ทางด้านจิตใจเนี่ยถ้าตรวจส<น>ักปีละครั้งสองครั้งก็จะยังดีอะนะคะน้อยไ ป, ยไปเพรา ะ, ะอะไรรไหมจิตของคนเราเนี่ยในวันหนึ่งวันหนึ่งให้สังเกตดูว่า เราสมหวังกับผิดหวังเนี่ยวันวันหนึ่งนะเอาความหวังในวันเดียวเนี่ยระหว่างสมหวังกับผิดหวังเนี่ยอันไหนมากและน้อยกว่ากันผิดหวังทีค่ะพระอาจารย์ค่ะให้สังเกตดูนะไอ้คว่าผิดหวังในที่นั้นเนี่ยต้องมองเรื่องตั้งแต่ที่เรานับว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยจนถึงเรื่องใหญ่โตที่เราว่ากันเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นเราจะทากิจต่างๆในขณะที่เราจะทากิจต่างๆเนี่ย เราก็หวังใช่ไหะแต่ความหวังของเราเนี่ยมันผิดหวังตลอดเอาอย่างเช่นว่าดังที่ได้เคยกล่าวหลายๆครั้งว่าแค่เราจะไปรอรถเนี่ยในขณะที่เราจะไปยืนรอรถเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยโดยมากความผิดหวังเราเกิดถามว่าทําไมความผิดหวังยิ่งเกิดบางครั้งเนี่ยเราหวังว่าเราหวังว่าเอ๊ะถ้าหากว่า เราไปเราจะต้องรอรถสายนี้มาใช่ไหมเวลาไปยืนเนะ่ะกวดสายที่เราหวังเนะ่ไม่มีเรค่ะไม่มาสักทีแต่ที่มากับไม่ได้หวังคือสายอื่นใช่ไหเราก็ไปนั่งผิดหวังเราก็ซึมเศร้าลึกๆกันอยู่นั่นแหละและในชีวิตประจำวันจะเป็นแบบนี้หมดให้เราสังเกตด้วยบางทีเรากลาว่าเดี๋ยวไปคุยกับคนนี้เขาจะต้องพูดอย่างนั้นกันแล้ว เ, เขาไม่พูดดีกผิดหวังมันผิดหวังถ้าคิดให้ดีทีนี้ความผิดหวังเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผิดหวังจิตของเราทุกไหมความเครียดความทุกข์ความกังวลเกิดขึ้ น, บ, นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นคนก็ไม่รู้ตนเองว่าโรคเกิดที่จิตเมื่อไม่รู้ว่าโรคเกิดที่จิตก็หรือวังคนเนี่ยวิธีรักษาก็คือรักษาเองเหมือนหมอเถือนเหมือน ก, การว่า บอกไม่ไปหาหมอเราคิดว่าเราแก้ได้เพราะจิตของเราเราแก้ได้เป็นบุคคลที่ไม่ฉลาดไม่ฉลาดเพราะ เ, าเคยไม่เคยรู้เลยว่าจิตเป็นยังไงลักษณะของจิตเป็นยังไงอารมณ์ของจิตเป็นยังไงและจิตเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอย่างอากุศรลจิตเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะละได้ด้วยวิธีอะไรก็ไม่รู้ อุบายวิธีในการละในการอบรมในการจัดการบาปอากุศลก็ไม่มีเมื่อไม่มีอย่างนี้ก็เลยมันเหมือนว่าหาวิธีการเอาเอง mm hmm. เช่นว่าทุกข์ใจก็หาดูหนังฟังเพลงทุกข์ใจก็หาเล่นอะไรสะดวกสบายก็สำคัญว่าไอ้ความสุขที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นคือเป็นสิ่งที่ดีงามกับใจตนเองแล้วค่ะ ก็เลยไปยึดนะพอโทสะเกิดขึ้นก็เอาโลผ้ามาแก้ mm hmm. พอเกิดความโลภมากๆมากมา ก, มากขึ้นมาไม่ได้อย่างที่โลภไปเครียดโทสะเกิดเนี้ยก็เอาโลภาแก่ <Okay. S 2> แก้อย่างเดิมก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนวัตถุเปลี่ยนเรื่องราวที่แก้ไปเรื่อยเืเห็นไหมว่าจริงๆรมันเราผิดพลาดขนาดไหนหชีวิตนี้ mm hmm. ชีวิตเราผิดพลาดกันอย่างนี้พอโทสะความเครียดเกิดขึ้น แล้วก็เอาโลภะไปแก้ปัทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราก็หาสุขเวทนาไปแก้เราปราถนาสุขเวทนาถามคุณโยมนี่ตรงนี้ก็าคิดว่าทุกขเวทนานี่เป็นทุกขไหมทุกค่ะทุกเพราะอะไรทุกเพราะว่าอืม มันเบียดเบียนใช่ไหมมันตั้งมันเบียดเบียนเรามันตั้งอยู่มันตั้งอยู่ด้วยมันอยู่กับเรานา น, านงั้นตัวไอ้ทุกขเวทนาเนเราไม่ปราถนาเพรา ะ, ะมันเป็นทุกขทีนี้ถ้าปะถ้ามาพูดอีกอย่างก็คือว่าและไอ้ตัวสุขเวทนาเลยถ้ามองมคนทั่วๆไปเขาบอกตัวสุขหรือความสุขเอ้เยโสมนัสเลยความดีใจเลยเนี่ยถ้าถามบอกว่า เป็นทุกข์ไหมเนี่ยทุกคนก็บอกเป็นสุขใช่ไหมคะหลายะคนก็ต้องมองอย่างนั้นว่าเอ้ตัวสุขเวทนาเนี่ยมันเป็นสุขน ะ, ะแต่ถ้ามาพิจารณาเห็นจริงๆนะว่าถ้า ถ, ถามว่าสุขเวทนานั้นมันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนในเมื่อมันเปลี่ยนมันไม่คงที่ก็นี่ไงคือความทุกข์ของมัน แต่ถ้าสุขเวทนามันเกิดโดยอาศัยวัตถุใดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยสุขนั้นที่ถึงจะเรียกว่าเป็นสุขแท้เป็นสุขถาวรเป็นสุขที่มั่นคงแต่โดยหลักตามความเป็จริงของตัวสุขเวทนามนันเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนแล้วเราก็พยายามหาวัตถุสิ่งล่อเพื่อจะให้ได้สุขเวทนายิ่งยิ่งขึ้นมาเราเราเอากันแค่ตรงนี้เนี่ย แต่ถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงเสียว่าตัวทุกขเวทนานี่ยมันเป็นทุกขเพราะตั้งอยู่สุขเวทนามันเป็นทุกขเพราะเปลี่ยนแปลงอุเบกขาเวทนาเป็นทุกขเพราะเราไม่รู้นี่สมมติเรารู้ตามความเป็นจริง <c oughs> ถ้าเราเห็นทุกขเวทนาโดยความเหมือนกับลูกศรเห็นสุขเวทนาโดยความไม่เที่ยงเห็นอุเบกขาเวทนามว่าเป็นทุกขที่น่ากลวัวเนี่ย ถ้าเราเห็นอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเบื่อหน่ายจริงๆทีนีน้พูดตรงนั้นมันก็จะจะลงไปในรายละเอียดมากขึ้นแต่ในเบื้องต้นนะ่ะได้พูดคาว่าทำกุศลให้เกิดขึ้นครั้งแรกนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทำกุศลนั้นนะให้ทวีคูณมากยิ่งยิ่งนั้นประการหนึ่งยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นนั้นประการหนึ่งใช่ไหมว่าทำยังไงเราจะทากุศลให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนั่นสิคะ่ะใช่ไหค่ะ อ, อุบายที่เราบอกว่าเราจะไปเจริญกุศลเนี่ยแล้วอ๊เราจะทำยังไงถ้าไม่มีครั้งแรกจะมีครั้งที่สองสามสี่ห้าไหมไม่มีค่ะเห็นไหมการเจริญกุศลมันอยู่ตรงที่ว่าต้องรู้จักกุศลต้องรู้จักจิตที่เป็นกุศลนะว่าเป็นยังไงเพราะหลายๆคนบอกว่าเอ๊กุศลนี่คือความสุขเนี่ยสมมติอย่างเงี้ยกุศลนี่คือสุขสมมนั้นเนี่ย อโลภะก็สร้างความสุขได้ใช่ไ่ะเช่นเราปรารถนาจะร่ํารวยเนี่ยแล้วเรารวยอย่างที่เราปรารถนาไอ้มันสมหวังไอ้สุขค่ะแต่สุขอย่างนั้นติดข้องไหมจิตเราก็ติดข้องชาบติดในอารมณ์นะั้นค่ะถ้าลักษณะอย่างนี้เราจะกล่าวได้ไหมว่านี่คือกุศลค่ะใช่ค่ะเราก็ต้องบอกว่ามันไม่น่าจะใช่แล้วนะคะเพราะอะไรอ่ะ เพราะความติดความยึดถือนี่เป็นสภาพของสภาพของโลภะแล้วเพราะสภาพของกุศลแล้วเนี่ยมันจะต้องที่ได้พูดไปบอกว่าความไม่มีโรคของจิตและความไม่มีโทษความไม่มีโรคและความไม่มีโทษของจิตนั้นคืออย่างไรในขณะที่จิตของพวกเราเนี่ยเกิดราคะ ความยินดีติดข้องในกรรมคุณเนี่ยนะยินดีติดข้องในสีในภาพในส่วดทรงเอยอย่างนี้จะไปเป็นกุศลได้ยังไง<อ>เพราะสะภาพกุศลมันต้องไม่ติดมันต้องไม่ยืดติดไม่ผูกพันไม่ไม่ปราถนาทวีคูณยิ่ ง, ย, งยิ่งขึ้นไปสิ อ, อย่างนี้เขาเรียกว่าจิตมีโร ค, คและเมื่อมีโรคเนี่ยมันมีโทษไหมล่ะมีเอาอย่างนี้ถ้าเรามองว่าโลภะเนี่ย เราจะเห็นโทษของโลภะได้อย่างไรเราก็ต้องไปพิจารณาว่าถมเต็มไหมสภาพของโลภะเนี่ยทำไมเวลามันโลภมากๆแล้วเนี่ยมันทำไมจึงรุนแรงมากขึ้นทำไมมันก่อทุกข์ก่อโทษล่ะมันก่อทุกข์ก่อโทษยังไงเวลาความโลภมันเกิดขึ้นเนี่ย ความโลภมันทวีคูณยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยทำไมความโลภจึงเป็นปัจจัยทำบาปใช่ไหมค่ะบางคนฆ่าบางคนรักบางคนขโมยเป็นต้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นชัดว่ามันเป็นโทษจริงๆคือมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ทำให้กายกรรมวิีกรรมทำให้ร่างกายและ ว, วาจาของเราเนี่ยประพฤติมิชอบค่ะอย่างนี้แสดงว่ามันก่อโทษค่ะ แล้วมันจะต้องให้วิบากที่เป็นทุกข์แน่นอนค่ะแล้วอาจารย์คะขออนุญาตยกตัวอย่างนิดหนึ่งว่าถ้ากรณีที่คนสร้างทานบา ร, รมีมาดีในภพก่อนชาติก่อนแล้วเกิดออวิบากส่งผลให้มีลาบหรือว่ารวยขึ้นมาด้วยประการทั้งปวงอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะให้ได้ทรัพย์นั้นมาจะวางใจอย่างไร ให้ไม่เกิดความโลภ ก, กับลาบอันนั้นเพื่ อ, อจะได้เป็นกุศลค่ะ ค, คือตรงนี้กุศลที่ทําเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมค่ะเพราะทาให้เราเกิดความสะดวกในพบจะบปัจจุบันและพบหน้าค่ะปัญหาก็คือวิธีคิดวิบากของบุญเนี่ยที่เราได้เนี่ยหรือที่เราทํามาถามว่ากุศลที่ให้ผลที่เรา ได้รับโอกาสที่ดีในปัจจุบันพบชีวิตของสัตว์โลกเนี่ยแสดงว่ามีเหตุในอดีตเมื่อสร้างเหตุเป็นปัจจัยในอดีตมาดีผลที่ได้ดรับก็ดีแต่ให้ตรึกพิจารณาอย่างไรรู้ไหมให้พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงเพราะมันพร้อมที่จะหมดไปเมื่อไรเราก็ไม่รู้เหมือนอว่าให้ตาเรามาเนี่ยสองข้างเนี่ยที่เราได้วิบากาลคือตาแล้วได้มองได้ดูเนี่ย แต่ถ้าไม่ระมัดระวังตาก็จะบอดตาก็จะเสียหายได้เร็วเข <ST. S 1> าเรียกถ้าเราไม่มีปัญญาในการรักษาตาเป็นต้นรเราก็ไม่สามารถจะเอาตาอยู่ได้ในภพนี้และก็ไม่สามารถเอามาทําประโยชน์ได้ถามว่าประโยชน์ของตาคืออะไรมองเห็นเอาไว้มองเห็ น, ใ ช, หนใช่ไหมไม่ใช่เพียงแค่มองเห็นอย่างเดียวต้องทําประโยชน์ให้เกิดขึ้น ประโยชน์ในปัจจุบันหมายความว่าสิ่งที่ทำประโยชน์ในปัจจุบันจากตาเห็นนะเรามองแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรคือถ้าได้ตามาแล้วเนี่ยถามว่าเราได้บุญหรือได้บาปจากตาเพราะตาเป็นวิบากของกุศลใช่ไหมค่ะหูก็เป็นวิบากของกุศลที่เราทำจากอดีตทีนี้เมื่อเราได้วิบากอย่างนี้มาแล้วเนี่ยถามว่าเรามาทำวิบาก กาคือมาเอาตานั้นมาทําบุญหรือทําบาปเป็นส่วนมากอ๋อค่ะใช่ไหมถ้าเอาตานั้นไปดูทีวีดูการละเล่นเล่นการพนันอะไรอย่างนี้ก็ถือว่ามันเราอย่าเพิ่งไปบอกว่าผิดถ้าดูสาระอะไรต่างๆก็ว่าไปอ๋อแต่ถ้าการพนันนั้นก็ชัดเจนผิดพลาดแต่ถ้าหากว่าเราดูแล้วเราปรารถนาที่จะทําประโยชน์อะไรไหมที่เป็นปัจจุบันเพบแต่ไม่ได้ติดข้องในสิ่ง น, นั้น ไอ้อย่างนั้นก็ต้องวางจิตให้เป็นในการที่จะเสพในการที่จะบริโภคเห็นไหมว่าจะต้องพิจารณาว่าเราใช้ตามาทำกุศลให้เป็นประโยชน์ในปัจจุบันนพบแต่แค่นั้นพอไหมเนี่ยเพราะตาเนี่ยถึงจะใช้หรือไม่ใช้ที่สุดจริงๆก็บอดเนี่ยซ <c oughs> ับเนี่ยถึงใช้หรือไม่ใช้ที่สุดจริงๆก็หมด <c oughs> มันหมดไปเองหรือเราหมดโอกาสใช้มันก็หมดทั้งสองสถานะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เมื่อเรามีวิบากตรงนี้เราก็รู้จักเอามาใช้เป็นประโยชน์คํามารู้จักมาใช้เป็นประโยชน์ก็คือประโยชน์ในปัจจุบันเราใช้อย่างไงอุปการะดูแลพ่อแม่บุตรภรรยาญาติมิตรแล้วในการให้ทานอย่างนี้เป็นต้นสระบริจาคเราก็ต้องแบ่งจัดสรรปันส่วนให้เป็นและในขณะที่ทำนั้นก็ต้องน้อมไม่เ็นทานในกุศลจริง ถ้าในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ากุศลในชั้นทานนะดีแต่พอในชั้นทานดีนะก็อย่าไปติดอยู่เพียงแค่นะั้นไม่ใช่ว่าเราเป็นคนดีแล้วเราบริจากดีจริงๆต้องมาตรวจสอบสอบดูในชั้นของศีลใช่ไหมว่าศีลเราแค่ไหนพอมาตรวจสอบแล้วก็จะรู้ว่าเราก็ยังบกพ่องทางด้านกายกรรมวิญญาณเรายังฆ่าสัตว์รักสรพย์ประพฤติผิดในการม เรายังพูดเท็จนี่เราก็เสียหายเราได้กายมาได้มือได้เท้าได้วิบากเก่าคือมาจากกุศลแต่ <Okay. S 2> เราเอามาทำชั่วเนี่ย oh. เรามาทำไม่ดีเนี่ย <Okay. S 2> ก็แสดงว่าเราได้วิบากมันเหมือนว่าพ่อให้สมบัติเรามา <Okay. S 2> แล้วเราก็เอาสมบัติไปผานไปในทางไม่ดีไม่ชอบมันไม่ต่างอะไรกับบุญกุศลนในอดีต เ, hmm. เขาจึงเรียกว่าคนไม่มีปุเพกะตปุญญาตา หมายความว่าไม่มีกตันยูต่อปุเพกตปุญญาตางไม่กระตันยูต่อบุญกุศลของตอนเองในอดีตอพอไม่กระตันยูต่อบุญกุศลของตอนเองในอดีตก็เลยใ ช, ใช้วิบากของกุศลไปในทางที่ไม่ไม่ดีไม่งามเพราะไม่รู้อย่างนี้เขาเรียกคนประมาทและประมาทแล้วก็เป็นคนขาดกตันยูขาดกระตะเวที ขาการและลึกถึงบุญของว่าที่เราได้ตามาเพราะบุญน ะ, ะเราได้หูมาเพราะบุญนะที่สั่งสมมาดีน ะ, ะเราได้จมูกมาเพราะบุญสั่งสมมาดีนะเป็นต้ น, นแต่เราจะใช้อย่างไงจะเอามาสร้างบุญต่อหรือจะมาทำบาป<อ>ถ้าเราทาบาปเขาแปลว่าเราเสียหาย เราเราอาจจะได้ในปัจจุบันซึ่งหลายๆคนก็มองว่าเขาได้ <c oughs> เช่นว่าเขาได้เที่ยวสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นเลย <c oughs> เขาก็ไปดูซะว่ากัน <c oughs> สิ่งที่ไม่เคยได้ยินก็เขาติดา้าดูคือเขาจะเป็นนักสำรวจโลกใบนี้ว่าอยากเห็นอยากดูอยากรู้นเนี่ยเาก็ให้ตันหาเป็นตัวฉาบติดนำทางตัวเจตนากมก็กาหนดลงไปโมหะไม่รู้ก็ปิดบงังเขาก็เป็นกันอย่างนี้ อันนั้นก็าเรียกปกติของบุคคลที่ไม่ได้สดับคําสอนไม่ได้ไม่ได้ศึกษาคำสอนของพทะเจ้าให้ดีและไม่ได้เงียโสดลงฝังและไม่น้อมศรัทธาให้เกิดขึ้นก็ปิดโอกาสตัวเองไปมันเหมือนไม่ต่างอะไรเลยใช่ไหมว่าเหมือนเราได้สมบัติจากพ่อแม่แล้วเราจะใช้อย่างไรก็ได้ก็เหมือนกับเราได้วิบากของบุญมาแล้วเราจะใช้อย่างไงก็ได้ เห็นไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าคนไม่รู้บุญคุณไม่มีบุญไม่รู้บุญคุณของบุญนนกุศลแน่ดิค่ะก็เพิ่งเพิ่งได้สดับะนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะถูกอบรมสั่งสอนให้กตัญญูกะตะเวทีต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์บุพการีผู้มีพระคุณแต่เพิ่งจะได้เข้าใจอย่างถ่องแท้จากพอาจารย์ว่า การที่รู้บุญคุณบุญในอดีตซึ่งเป็นปเุเพกะตะบุญยตานั้นก็เป็นส่วนสำคัญแล้วก็จําเป็นก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ตระหนักนิดหนึ่งนะคะบางครั้งเนี่ยการที่ได้รับข้อแนะนำาบางประการซึ่งเราไม่ได้คานึงถึงอันนี้ก็น่าคิดนะคะพระอาจารย์คะในเรื่องของการเจริญภาวนานั้นพระารอาจารย์มีข้อธรรมะในส่วนใดบ้างที่จะเพิ่มเติมให้กับญาติธรรม อรัธนาค่ะเกี่ยวในเรื่องการเจริญภาวนานั้นก็คือการทำให้ลักษณะของกุศลจะต้องเจริญขึ้น<ม>คือการเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วก็จะต้องเกิดขึ้นครั้งหลังๆะจ ะ, ะต้องเจริญยิ่งๆขึ้นไปค่ะการคำว่าเจริญยิ่งๆขึ้นไปนั้ น, นถามว่าเราจะดูได้จากตรงไหนกน็ดูได้จา ก, กว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าบาปประรมทั้งหลายเช่น ละความโลภความโกรธหรือความหลงความคิดแบบเดิมๆซึ่งเป็นความคิดผิดพลาดเนี่ยที่เคยผ่านเข้าสู่กระแสจิตแล้วก็ผ่านพฤติกรรมเราไปหมดแล้ว ค, คือเราเคยพูดแล้วไอ้ที่ไม่ดีแบบนี้แล้วก็คือทำชั่วแบบนี้เราก็เคยทำมาแล้วเราเคยทำมาแล้วทั้งนั้นสิ่งที่ผ่านมานี่เนี่ยทีนี่ในชีวิตประจาวันในปัจจุบันเนี่ยลองมาดูที่ว่า บาปเหล่านั้นยังเข้าสู่กระแสจิตเราอยู่ไหมหมายความว่าเราคิดแล้ว oh. เราก็ยังทำเหมือนเดิมๆหรือยิ่งกว่าเดิมอยู่แสดงว่าอย่างนี้กุศลไม่ได้เจริญอะไรเลยเพราะบาปมันตามเข้ามาเกิดและเราก็เหมือนเดิมมันเหมือนอย่างนี้ในปัจจุบันพอเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ปีเก่าอะไรกันเนี่ยนะ <c oughs> เขาก็จะให้พร อ, อวยพรกันแล้วก็บอกว่าให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปนะให้พรกัน ประเด็นปัญหาอยู่ตรงที่บอกว่าให้อะไรจะเจริญโดยมากเราจะมองบอกให้มีทรัพสมบัติมากขึ้นขอให้หรวยให้ยศตำแหน่งมากขึ้นให้ประสบสิ่งที่ดีมากขึ้นแต่ความจริงของชีวิตเนี่ยสัตว์โลกไม่ค่อยเข้าใจว่าชีวิตถ้ายิ่งเป็นอยู่นาน ค, ความตายก็ยิ่งใกล้เข้ามาทุกทีก็มองไม่เห็นบางคนบอกว่าเราอายุยังน้อย เรายังหนุ่มสาวอยู่เรายังแข็งแรงเรายังไม่ตายลอกละมาดที่จริงอ่ะไอคนที่กอยู่ในคันยังไม่ทันคลอดตายไม่รู้กี่ล้านคนแต่ละ <c oughs> แต่ละวินาทีเนี่ย <c oughs> ถ้าเราลองวิจัยออกมาดูเอ้พ่อแม่ที่แม่ไม่รู้ก็มีนะที่มสัตว์มาถือปฏิสนธิแล้ว <c oughs> แล้วก็ตาย <c oughs> ในขนาดนั้นแล้วก็ไม่รู้ <c oughs> ตัวเองอีกมากมายหรือที่มีมาแล้ว แล้วก็ตายในขณะที่เป็นกะล ะ, ละน้าใสๆเนี่ยที่เป็นชิ้นเนื้อขึ้นมาตายที่กลายเป็นก้อนเนื้อขึ้นมาแล้วตายเป็นปุ่มขึ้นมาห้าปุ่มแล้วตายาแตกจนเป็นปัญจาสาขามีผมขนเล็บฟันออกมาแล้วแต่ยังไม่ดันคลอดก็ตายให้ไล่มาตามลำดับจะมีตาหูจมูกลิ้นกายมาจนครบบริบูรณ์ไม่ทันคลอดตา ม่รู้กี่ล้านกี่พันชิน้นิชีวิตต่อวินาทีต่อนาทีพอาจารย์กําลังจะบอก<น>ว่าชีวิตไม่เที่ยงคือมันไม่แน่ไงว่ามีเราจะมีโอกาสได้เจริญบุญเหมือนเราบอกว่าเดี๋ยวเฮ้เราเนี่ยทํางานให้จบเราเรียนจบเราทํางานให้เสร็จเราทําอะไรให้เบ็เสร็จจัดแจงในครอบครัวให้เสร็จแล้วเราจ ะ, จะเจริญกุศลให้เต็มที่ ก็ก็คนตาบอดกันทั้งนั้นไม่รู้ไงคําว่าตาบอดในปัญญาด้วยทั้งๆที่ตนเองไม่รู้เนี่ยตามว่าตายที่ไหนตายเวลาไหนตายกลางต้นเช้าตอนเย็นไม่รู้ในบ้านนอกบ้านตายด้วยโรคอะไรและที่หนักกว่า น, นั้นก็ตายแล้วจะไปไหนไม่รู้ใหญ่เล ย, ยแต่มนุษย์ก็อยู่ด้วยความประมาทกันอย่างนี้ แล้วก็บอกว่าเราคงรอดเรายังไม่ถึงเ <c oughs> ชื่อไหมคนที่ตายเขาก็คิดอย่างเนี้ยคนที่โดเจอระเบิดตูมตามตูมตามเขาก็คิดเงี้ยคนประสบอุบัติเหตุเขาก็คิดกันอย่างนี้ <c oughs> ทั้งนั้นหละอย่างปีใหม่ที่ผ่านมาก็เกือบพันรายนะคะคนที่อยู่ในบ้านนอนอยู่เฉยแล้วที่ตายาก็คิดอย่างเนี้ยค่ะ <c oughs> เขาไม่คิดว่าเขาเขาก็คิดว่าเขาจะได้ตื่นขึ้นมาดู ตรงนี้การปารลบอย่างนี้เพื่อจะได้น้อมใจว่าเอ๊ะต้องรีบน ะ, ะการเจริญภาวนากุศลต้องรีบเลยทีนี้ถ้าถามบอกว่าถ้าจะเจริญภาวนากุศลจะเริ่มอย่างไรค่ะนั่นเลยค่ะใช่ไหมเราจะเริ่มอย่างไรเพราะบางทีเราบอกวิธีการบอกอะไรเบ็ดเสร็จเนี่ยถามว่าเราจะเริ่มอย่างไงชีวิตเรายังยังอาจจะใหม่อย่างเงี้ยนะค่ ะ, ะหลายหคนอาจจะเคยศึกษาคําสอนเนี่ย มันก็ต้องมาตรวจสอบว่าหนึ่งต้องศึกษาและฟังให้เข้าใจว่าคำว่าภาวนากุศลนั่คืออะไร อ, อย่างยกตัวอย่างเช่นว่ามีการทำกุศลให้เจริญขึ้นเป็นลักษณะมีการประหารอากุศลเป็นกิจอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเข้าไปสู่การทำให้สติเป็นต้นเกิดขึ้นเป็นต้นมันก็ต้องเอ๊มันทำยังไงนัน่ไหม ลักษณะของกุศลก็ต้องดังที่ได้กล่าวเนที่บอกว่าสภาวะของจิตที่ไม่มีโทษไม่มีโรคสภาวะของจิตที่เป็นกุศลเนี่ยพอไปศึกษาเรื่องจิตที่เป็นกุศลอย่างนี้ให้เข้าใจแล้วแต่นี้ก็ต้องไปดูว่าในขณะที่เราเรามาดูยทานกุศลเราเข้าใจแค่ไหนศีลกุศลเข้าใจแค่ไหนพอเข้าใจทีนี้มาดูภาวนากุศล พราภาวนากุศลเนี่ยท่านแยกเป็นสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาถ้าถ้าสมถะเนี่ยก็แปลว่าสงบเขาบอกว่าทำใดที่ทําให้กิเลสมีกามะชันทะนิวรณ์เป็นต้นสงบลงฉะนั้นสภาวะอย่างนั้นเขาเรียกว่าสมถะสมถะเป็นชื่อของสมาธิสมาธินี่คือการทําจิตให้สงบทีนี้พอพูดถึงสมาธิเนี่ย ต้องศึกษาไหมถึงจะทําการเจริญภาวนาถูกต้องศึกษาเพราะสมาธิที่ผิดพลาดก็ณีค่ะเช่นการไปยิงปืนเนี่ยต้องทําให้จิตเป็นสมาธิไหมค่ะใช่ค่ะต้องจิตให้เป็นสมาธิเช่นบางทีเราโกรธใครแล้วก็ไปวาดรูปคนนั้นแล้วก็เอาปีเป็นเป้าแล้วก็ไปยิงใช่ไหมยิงเปี้ยงเปี้เปียเป้ย ง, ยงลักษณะอย่างนี้เขาก็เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเหมือนกันแต่สมาธิอย่างนี้ เขาเรียกว่ามิจฉาสมาธิไม่ควรจเจริญ เ, เพราะเป็นสมาธิที่มีความกโกรธมีความโลภเกี่ยวข้องด้วยก็ต้องเพลิกสมาธิลักษณะอย่างนี้ออกเอาสมาธที่สมควรแล้วต้องเป็นสมาธิอย่างไรก็ต้องบอกว่าเป็นสมาธิที่เป็นกุศลใช่ไหมที่พูดเมื่อกี้ทำกุศลให้เกิดขึ้นครั้งแรกะนะ ต้องเป็นสมาธิที่ไม่มีความเครียดความกังวลและความโลภเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้สมาธิที่ไม่โลภไม่โกรธเป็นต้นเนี่ยเป็นสมาธิในลักษณะที่เป็นอย่างไรก็ต้องดูว่าลักษณะของสมาธิตรงนี้ต้องมีสติใช่ไหมต้องดูตรงที่สติสติเนี่ยจะต้องเข้าไปรู้ลักษณะของธรรมที่ควรเสบ็บควรที่ทาถือเอา การทาที่ไม่ควรเสพและควรทาที่ไม่ควรถือเอาคือถ้าสติเกิดขึ้นสติก็รู้ว่าความกําหนัดยินดีควรถือเอาไหมไม่ควรอย่างเงี้ยถ้าสติเกิดนะาลักษณะสติเกิดขึ้นจะรู้ทันทีว่านี้ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรถือและไม่ควรเจริญความโกรธควรถือไหมไม่ควรค่ะอุทธจารความฟุ้งเนี่ยไม่ควรใช่ไหมลักษณะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย หรือวิตกความกังวลใจวิตกฝ่ายไม่ดีเนะี่ยอย่างนี้ควรถือเอาไหมไม่ควรลักษณะนี้ก็รู้ทันทีว่าถ้าสติหรือศึกษาคําว่าสติมาดีสติก็ต้องเข้าไปกันบาปอย่างนี้เพราะสติเป็นองค์ของสมาธินี่<ะ>เมื่อสติเข้าไปกันสภาพบาปอย่างนี้แล้วก็ทําก็ประครับประคองสมาธิให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป<ะ>ทีนี้อุบายวิธีนะ อุบายวิธีที่ทำให้สมาธิจะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทำยังไงคะบางท่านในลักษณะของการกําหนดที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิเนี่ยบางท่านก็ใช้อุบายวิธีโดยการถ้าพระพุทธเจ้าสอนบอกว่ากาหนดลมหายใจเข้าออกเป็นต้นสมมติยงงค่ะหรือบางทีเนี่ยตัานกาหนดคุณองคพุทธเจ้ามีพุทธานุสติเป็นตนน้น ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าวิธีการหรืออุบายวิธีในการที่จะฝึกจิตให้เป็นสมาธิอย่างเช่นว่าในกรณีที่หายใจเข้าและออกนิสัตตโลกปกติก็มีลมหายใจเข้าและออกกระทบกระทั่งอยู่ตลอดเวลา <Okay. S 1> แต่อุบายวิธีพูดแค่นี้ยังไม่เพียงพอเนี่ยก็ยังต้องมีอุบายวิธีในการที่จะต้องศึกษาละเอียด บุคลเหล่านั้นก็ใช้สติเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเป็นต้นตามลําดับอย่างนั้นเขาเรียกว่าใช้สติใช้ความเพียรใช้สัมปชัญญะเนี่ยไปกําหนดดูที่ลมหายใจเข้าและออกค่ะ ตั้งดูตามลำดับอย่างนี้จิตก็เริ่มมีสมาธิแต่ข้อมูลในการศึกษาจะต้องดีกว่านี้อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าอุบายวิธีในการที่จะทำจิตให้เป็นสมาธินะั้นมีจริงๆคือหลายคนนะคะก็สงสัยด้วยความที่อยากเจริญกุศลนะคะก็จะพยายามสแสวงหาคือไปตรงไหนก็ได้ที่จะไปนั่งหลับตาหายใจเข้าหายใจออกกาหนดรู้ ซึ่งไม่ได้ศึกษาทางด้านของอปริยัติเลยนะคะก็ไปหาวิธีปฏิบัติเพื่อไขว้าหาบุญตรงนี้พระอาจารย์จะมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะคือมันอย่างนี้ว่าเราอ่านฉลากยาเองตีความเองแล้วก็กินเองเลย ต, ตรงนี้ก็ต้องต้องดูว่าเรามีข้อมูลถามว่ากล้าไหมสมมุติเราเป็นเรามีเรารู้ว่าตัวเองมีโรค มีโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ค่อนข้างที่จะเจ็บปวดบุนแรงนิดเเราก็ไปแล้วแหละหาอุบายวิธีในการรักษาเองก็คือเจออะไรก็ได้แล้วก็อันนี้ค ง, คงหายอันนี้คงหายใช่ไหมได้ยินใครพูดมานิดๆหน่อยๆล้วก็จับประมวลมาติดต่อบวกกับความรู้ของเราเข้าแล้วก็มาผสมประสานกัน แล้วก็อ เ, เอาตามใจชอบวินิจฉัยเองรักษาเยียว<ก>ยา<ข>อเองก็ต้องรับผิดชอบไปโอ้ยเสี่ยงแมคะแบบนี้อยอยไม่รับรองค่ะแล้วในเรื่องของการเาจริญภาวนานในเรื่องของสมาธิเนี่ยค่ะจะมีอานิสงอย่างไรต่อผู้เจริญบ้าง ค, ค่ะคือจริงๆตรงนี้ก็ต้องดูว่าต้องถามวัตถุประสงค์ในการเจริญสมาธินะคะ ที่จริงเนะี่ยการศึกษาคําสอนเนี่ยหนึ่งศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเนี่ยการศึกษาหรืออบรมในการเจริญสมาธินั้นต้องเป็นปัจจัยแก่แก่ปัญญาเพราะสมาธิในทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่หยุดอยู่เพียงแค่ทําจิตให้สงบแล้วก็ได้รับความสุขจากการได้สมาธิแล้วก็สุขเวทนาหรือเวทนาที่สงบกว่านั้นเป็นต้นไม่ใช่เอาแค่นั้น เหตุที่ไม่ใช่อเอาแค่นั้นก็เพราะว่าวัตถุประสงค์ในการที่จะเจริญภาวนาทั้งส่วนของสมถาภาวนาและวิปัสนาภาวนาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อปใจใัจจัยเกี่ยความสิ้นทุกขบุคคลที่จะมาฝึกหัดขัดเกลารในการเจริญภาวนานั้น เ, นเป็นบุคคลที่เบื่อนหน่ายต่อกองทุกขแล้วต้องรู้ว่าอะไรเนี่ยเป็นทุกข์ค่ะ คือท่านเหล่านั้นก็จะมาตรวจสอบมาพิจารณาดูตามคำสอนหลังจากศึกษาคำสอนมาดีเนี่ยก็จะมาพิจารณาความเป็นอยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายแม้กระทั่งตัวพวกเราทั้งหลายเนี่ยซึ่งเราจะต้องทุกข์พอกความเกิดทุกข์พอความแก่เจ็บตายวิบัติ พ, พัดพลากมีชาติทุกข์ชราทุกข์มรณะทุกเป็นต้นนี่นะไปตามลำดับเนี่ยความทุกข์ต่างๆเหล่านี้สัตว์โลกออกไม่ได้ทุกอาพวก ออกจากความทุกข์ออกจากวังวนต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เมื่อมีความเห็นสอดคล้องกับพระพุทธเจ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็บ่ายหน้าหาพระพุทธเจ้าเข้ามาศึกษาคำสอนของพุทธเจ้าและก็เพื่อจะน้อมจิตในอันที่จะนําคำสอนนั้นมาปฏิบัติเพื่อจะทำให้ตนเองนั้นนี่พ้นจากกองทุกข์ ค, คือท่านคิดเหล่านี้ไงท่านคิดแบบนี้ท่านจึงปรารถนาความสิ้นทุกข์ เมื่อดำบลิคิดเริ่มสอดคล้องกับพระพุทธเจ้าจึงเริ่มบายหน้าเข้าหา<ะ>แล้วก็เริ่มน้อมฟังแล้วก็นำคำสอนมาปฏิบัติเพื่อจะแก้โรคที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองเพื่อจะได้เป็นปัจจัยใกิความหมดโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็พ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงนี่เป็นอย่างท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะรายการ สนทนาปัญหาธรรมะหมดเวลาลงแล้วนะครับขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นอนุโมทนาค่ะ ที่ญาณม์เอตัมมงกลมุขมัเอตัมมงกลมุขมัเอตัมมงกลมุขมังปิโรภเดชวาสโโัตนิทาอัตตสัมมาภิ เอกั t มังระมุข g ุขมังระมุขมังระมุขมุขมังระมุขมุ อุปทานนิตระดาระริงระนาคูลาสะมัมมะเอตัมงกลุตมะเอตัมมังกาลมุตมาคูลาธัมมะเฉรียนาตตาณิชสุนห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 เอกัมมั h กาลาม n ตตะมันเอกัมมังกาลามุตตะมันเอกัมมังกาลามุตตะมันบารุตม เอกมังกลโมทรัมเอกัมมังกลโมทรัมเอกัมมังกลโั ขอจบจากตรงนี้ท่านผู้ใหญ่เบิร์ตสันอาลีเดนมาตาเกช่าเย่เดนม นิมนต์สัจจีค a ิยามพระเอกมังกรโมทมังพระเอกมังกรโมทมังพระเอกม เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์เ bhaskar tan tan tan tan tan tan a n t n tan a n t